ชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระธรรมปิฎกปอปยุตโตตอนที่ยี่สิบสามคุยกันตอบวันนี้จะพูดเรื่องธรรมะง่ายๆที่ได้ยินได้ฟังกันบ่อยมากคิดว่าทุกท่านคงรู้จักนะแล้วก็อาจจะได้อ่านพบแม้แต่ที่ เป็นหนังสือที่ผมอธิบายเองก็คือเรื่องอิทธิบาทสที่เอามาพูดในวันนี้ก็เพราะว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราพูดมาแล้วคือเรื่องตัณหาและก็ฉันทะนก็เลยยกเอามาตอบไว้ด้วยถือว่าเป็นเรื่องสืบเนื่องนี่อิทธิบาทสี่นี่อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่า เข้าใจว่าทุกท่านเนี่ยเคยได้ยินหรือได้รู้จักถ้าหากว่าเห็นเป็นเรื่องง่ายก็ถือเป็นการทบทวนนะก็มาไล่กันตั้งแต่ความหมายของคําว่าอิธิบาท4แล้วก็มาดูหกข้อทั้งสอิธิบาทนี่ทุกท่านคงแปลได้มั้งแปลว่าอะไรธรรมะที่ให้ทําให้ประสบความสําเร็จ หรือว่าธรรมะที่ให้ถึงความสําเร็จก็มาจากคาว่าอิทธิบวกกับคาว่าบาทบาทหรือบาลีว่าปาทะบาทหรือปาทะก็แปลว่าเท้านี่แหละนะเท้ามันเป็นยังไงเท้าก็พาเราให้ไปถึงที่หมายสิใช่ไฉะนั้นคําว่าเท้านี่ก็แปลว่าให้ถึงการันตับบาลีตัวนี้ ที่เราแปลว่าเท้าเๆ้าเนี่ยมีความหมายในตัวเองอวัยวะที่ทาให้เราไปถึงที่หมายเดีวนี้ในที่นี้มีคำว่าอิทธินำหน้าก็แปลว่าให้ถึงความสาเร็จก็คือให้บรรลุความสาเร็จหรือทางแห่งความสาเร็จเระว่าเครื่องให้ถึงความสาเร็จไอคำว่าเครื่องให้ถึงนี่ถ้ามองในแง่ของสิ่งที่เรา อาศัยเพื่อจะไปถึงความสําเร็จนั่นก็คือทางเพราะฉะนั้นก็เลยแปลอย่างว่าทางทางแห่งความสําเร็จแต่ว่าคําว่าความสําเร็จนี้ก็ได้แก่คาว่าอิทธิซึ่งอิทธินั้นเรามักจะแปลกันว่าฤทธิเพราะคําว่าอิทธิคือคำภาษาบาลีตรงกับสอนสกฤตว่าฤทธิแต่เวลาใช้เป็นภาษาไทยแล้วคาว่าฤทธิ์นี่ก็จะนึกไปถึงเรื่องหอเหาะเหินเดินอากาศทันที อันนี้ในภาษาบาลีนั้นหรือภาษาสันสกฤตเองอฤทธิ์นี่ก็คือความสําเร็จทีนี้ความสําเร็จที่ถือว่าเก่งจริงๆก็คือที่หาะเหินเดินอากาศได้อย่างนี้ถือว่าความสําเร็จที่สูงมากก็เลยเอาไปใช้ในแง่ของการที่มีความสามารถทําอะไรเป็นอัศจรรย์แต่เอาความกว้างๆว่า ความสำเร็จเพราะฉะนั้นอทธิบายก็แปลว่าทางแห่งความสําเร็จหรือทําเครื่องให้ถึงความสําเร็จจะแปลเป็นฤทธิ์ด้วยก็รวมอยู่ในนี้เสร็จนะทีนี้ความสําเร็จนี้ก็อาจจะหมายไปถึงการสําเร็จบรรลุธรรมะก็ได้บรรลุคุณธรรมเบื้องสูงอันนี้ก็มีสี่ข้ออะไรบ้าง ในท่านลองว่าว่ามีหนึ่งฉันท ะ, อ ะ, นทะสองวิริยะสจิตตะแล้วก็สี่ก็ง่ายแต่ว่าคําไทยพวกนี้นี่ก็เพี้ยนนิดหน่อยฉันทะก็ถือว่าถูกต้องวิริยะวิริยะในบาลีปกติจะใช้ว่าวิริยะวิริยะนี่มาใช้เป็นไทยแล้ว ในพระไตรปิฎกก็ยังมีชายเพียเพ้ยนๆกันบ้างเป็นวิริยะก็มีแต่โดยปกติจะเป็นวิริยะนะแล้วก็จิตตะก็ตรงแล้วก็วิมังสาก็บาลีก็เป็นวีมังสาไม่ใช่วิไทยก็มาพูดให้เหมาะกับลิ้นไทยก็เลยเป็นวิมังสาก็มีสี่ข้อนี่เราก็มาดูแต่ละข้อไป อันนี้หนึ่งก็ฉันทะก็แปลกันมาแล้วลว่าพูดกันมามากแล้วเกินคำนี้แปลว่าความใยดีใช่ไหมใยดีหรืออยากให้มันดีเราแปลกันง่ายๆว่าความรักความชอบพอใจเช่นว่างานนั้นเราชอบใจรักงานนั้นแต่ที่จริงของพระนันท่านมุ่งให้เป็นความอยากที่เกี่ยวกับการกระทา ยานี้อยากดีอยากให้มันดีก็ต้องอยากทําให้มันดีเราอยากจะเห็นที่นั้นสะอาดเราก็อยากทําให้มันสะอาดเราก็กวาดมันเราเห็นต้นไม้เหี่ยวแห้งเราอยากให้ต้นไม้นั้นงามนี่เรียกว่าอยากให้มันดีเราก็ไปรดน้ํามันไปทําให้มันดีนะหมอเห็นคนไข้ไม่สบายเจ็บป่วยร่างกายอ่อนแอนะ ก็อยากให้คนไข้นี้ร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีก็อยากจะไปแก้ไข บ, บําบัดโรคอยากจะไปทําให้คนไข้สุขภาพดีครูเห็นนักเรียนเห็นเด็กๆ ก, ก็ยังไม่มีความรู้อยากให้เด็กจเจริญเติบโตเป็นคนดีมีกิริยามารยาทมีความประพฤติดีมีสติปัญญาอยากให้เด็กดีอยากให้เด็กสมบูรณ์ให้เก่งนี่เรียกว่าอยากให้ดีก็ เราอยากจะทําให้ดีก็คืออยากจะซ้อนอยากจะแนะนําต่างๆนะความอยากทําให้มันดีเนี่ยก็เลยเป็นฉันทะเพราะฉะนั้นในภาษาพระก็จะแปลว่าฉันทะคือความปรารถนาจะทําตัวบาลีจะแปลว่ากัตตุกรรมยาตานั่นฉันทะท่านจะเรียกเต็มว่ากัตตุกรรมยาตาฉันทะแปลว่าฉันทะคือความปรารถนาที่จะทำนะหมายถึงทําให้มันดี ถ้าแปลเป็นภาษาไทยปัจจุบันก็คือฝ่ายสร้างสรรนั่นเองที น, นี้ถ้าเรามีตัวนี้อยู่แล้วก็มันก็เกิดกำลังขึ้นมาจะทำอะไรต่างๆอันนี้ก็ข้อที่หนึ่งฉันทะข้อที่สองก็วิริยะบาลีว่าวิริยะวิริยะก็มาจากวีระแล้วก็บวกการนิยะตามหลักภาษาบาลี วิริยะก็แปลว่าความเป็นวีระนะวีระคืออะไรก็ความแปลว่าแกล้วกล้าใจสู้ดังนั้นวิริยะหรือวิริยะนี่ความเป็นผู้แกล้วกล้าใจสู้เราแปลกันว่าความเพียนเพียนนั้นไม่ได้แปลหรอกเพียนก็ตัวเดิมนั่นแห ล, ละแปลงอีเป็นเอียแปลงวอเป็นพอวีระมันก็แปลว่าเพียนเพราะนั้นเพียร น, นี่ที่จริงแปลว่ากล้า น, นั่นเอง มาจากภาษาบาลีแท้เลยแผลงไปหน่อยนี่เพียรหรือบีระ ก, ก็แปลว่าแก ล, กล้าใจสู้ก็หมายความว่าไม่ทอ้อไม่ถอยไม่อ่อนแอรนะ์คนเรานี่จะมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาเจออะไรต้องทำแล้วมันไม่อยากจะทำก็เรียกว่าใจไม่สู้หรือแม้แต่ทำไปแล้วก็ ท้อถอยก็คือขาดวิริยะเนี่ยนี้ถ้ามีวิริยะหรือวิริยะความเพียรคือใจกล้าแกล้วกล้าใจสู้เจอสิ่งที่ยากก็เหมือนกระทาด่ายนะบางคนนี่ถ้าเจออะไรที่ยากหรือจะต้องทำแล้วจะรู้สึกเป็นเรื่องทาด่ายใจสู้ขึ้นมาทันทีเลยเกิดกําลังฉะนั้นวิริยะนี่เป็นตัวกําลัง พอใจแกล้าใจสู้กเกิดกําลังขึ้นมานถ้าหากว่าท้อถอยซะก็อ่อนแอหมดกําลังะฉะนั้นคนเรานี้อยู่ที่เนี่ยใจสู้หรือไม่วิริยะก็แปาความเป็นผู้ใจสู้แกล้าอยากจะเอาชนะทําให้สำเร็จนชนะงานนะไม่ใช่ชนะค น, นะชนะงานทําให้สำเร็จนะ เห็นงานเป็นสิ่งท้าทายเห็นอะไรที่จะต้องทํานี่มันท้าทายความสามารถต่อไปก็จิตตะจิตตะนี่ก็ความมีใจจดจอ่อจิตตะก็ตัวจิตนี่แหละจิตก็ไปอยู่กับสิ่งนั้นจิตไปอยู่กับสิ่งนั้นก็ใจจดจอ่อใจจดจ่อเหมือนคนที่ว่าเห็นความสําคัญของสิ่งนั้นจึงกระทั่งใจนี่ไม่ ไปคิดถึงเรื่องอื่นเลยยกตัวอย่างบ่อยๆก็เหมือนอย่างคนกู้ระเบิดนะคนที่จะกู้ระเบิดนี่จะเห็นความสำคัญของเรื่องของระเบิดเนี่ยจกนกระทั้งใจไม่ไปเรื่องอื่นเลยนะใจอยู่กับเรื่องของการที่จะแก้ไขเรื่องลูกระเบิดนี้ไม่ให้ระเบิดเลยเนี่ยนะเห็นความสำคัญอย่างยิ่ง ในใจจดจ่อบแบบนี้เรียกว่าจิตตะต่อไปก็คำสุดท้ายวิมังสาหรือไทยว่าวิมังสาแปลว่าการทดลองทดลองทดสอบเจออะไรก็อยากจะทดสอบดูว่ามันเป็นยังไงอยากจะรู้ความจริงของมันว่าทําอย่างนี้จะเกิดผลยังไงทําอย่างนั้นจะเกิดผลยังไงแบบนี้เป็นนักทดลองใช่ไหมนักทดลองนี่ก็ทําให้ทำเหมือนกันใช่ไนม นี่เป็นเรื่องของเกี่ยวกับปัญญามันโยงไปหาปัญญาเลยเพราะว่าจะต้องใช้ความคิดเพราะาการทดลองนี่ก็เกี่ยวกับการที่คิดถึงว่าทำยังไงจะเกิดผลยังไงถ้าไม่ทำอย่างนี้จะทำยังไงดีถ้าต้องการผลอย่างนี้จะทำได้แบบไหนบ้างหรือถ้าทำอันนี้ทำเหตุนี้ผลอะไรจะเกิดขึ้นมาบ้างแล้วก็ทดสอบทดลองไปเนี่ยสี่ข้อเนี่ยนะฮะสี่ข้อนี้นะ เป็นเรื่องที่จะทำให้เกิดผลสำเร็จได้อย่างไรจุดสำคัญก็คือว่ามันทำให้เกิดสมาธิใจมันแน่วแน่นะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะตรัสถึงสมาธิสี่ประเภทเวลาตรัสถึงอิทธิบาทนี่ในหมดธรรมนี่จะตรัสเรื่องอิทธิบาทไปควบคู่กับเรื่องสมาธิแล้วก็เรียกชื่อสมาธิตามหลักอิทธิบาทส เรียกว่าฉันทะสมาธิปาวะสมาธิที่เกิดจากฉันทะวิริยะสมาธิสมาธิที่เกิดจากวิริยะหรือความเพียรจิตตะสมาธิสมาธิที่เกิดจากจิตตะแล้วก็วิมังสาสมาธิสมาธิที่เกิดจากวิมงังสาการที่จะสาเร็จนี่จุดสำคัญก็คือมันเกิดสมาธิใจมันแน่วแนว่ตั้งมันเกิดกำลังแล้วมันไม่พร่ไม่กระจัดกระจาย มันรวมนั่นก็เป็นตัวสําคัญในการทําให้สําเร็จเท่ากับว่าอิธิบาทสี่นี้สร้างความสําเร็จได้ผ่านสมาธิก็เลยกลายไปว่าเรื่องอิธิบาตนี่มีสัมพันธ์กับเรื่องสมาธินีทั้งสี่ข้อนี้ทั้งมีความสัมพันธ์กันส่งผลต่อกันสืบเนื่องและทั้งในแง่ที่ว่า แต่ละอย่างก็สามารถส่งผลเข้ามันเองได้อ้าวคนเรานี่ชอบอะไรสิ่งที่จะทํานั้นเราชอบใจก็เข้ามาเกิดความสนใจอยู่กับสิ่งนั้นได้ถ้าไปทําสิ่งที่ไม่ชอบใจใจมันก็ดิ้นมันก็หนีมันจะออกไปเรื่องอื่นๆื่อยสมาธิก็เกิดยาก เพราะฉะนั้นคนที่ทำสิ่งที่ตัวรักตัวชอบนี่ก็เกิดสมาธิง่ายเพราะฉะนั้นฉันทาจึงเป็นตัวปัจใจหรือเป็นตัวธรรมะที่ช่วยให้เกิดสมาธิเพราะฉะนั้นตัวแรกตัวสามันเลยก็คือชอบอยากจะทำต้องการให้บรรลุจุดหมายของสิ่งนั้นอันนี้จะทำให้เกิดสมาธิได้เพราะฉะนั้นวิธีทำให้เกิดสมาธิโดวยวิธีธรรมชาติก็อาศัยอธิบาทสี่เนี่ย อันแรกกันง่ายที่สุดก็คือให้เขาทำสิ่งที่เขาอยากจะทำใช่แต่ว่าให้เป็นสิ่งที่ดีเนี่ยให้เขาต้องการจุดมุ่งหมายของมันเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ของสิ่งที่ทำนั้นคือถ้าเพียงแต่ชอบเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ถ้าเขาพอใจอยากจะได้บรรลุจุดหมายของมันเห็นว่าโอ้สิ่งนี้ดีเราต้องการให้เกิดผลสาเร็จอย่างที่ว่า หมอเห็นคนไข้แล้วอยากให้คนไข้มีสุขภาพดีนี่คือหมอมีจุดหมายแนละ้เพราะอยากให้คนไข้มีสุขภาพดีนี่คืออยากในจุดหมายที่ดีงามใช่ไหมที่ว่าอยากให้มันดีคราวนี้แก่ก็อยากจะรักษาคนไขนะ้ใช่ไหมมาเองนั้นให้อยากในจุดหมายที่ดีงามก็จะได้เข้าข้อฉันทะนี้ทาให้เกิดสมาธิใจจะมุ่งเลยนี่ก็หนึ่งละ นี่สองก็คือวิริยะนี่ก็ถ้าเราไปทำอะไรสมมติว่าเราเกิดไม่ชอบแต่ถ้ามันเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่ามันท้าทายท้าทายเราท้าทายความสามารถอยากจะเอาชนะอยากจะทำให้สำเร็จขึ้นมาใจสู้พอใจสู้แล้วเกิดสมาธิเมื่อกันใจจะอยู่กับสิ่งนั้นได้ก็ จิตตะก็เหมือนกันน่ะลองเราเห็นความสําคัญของสิ่งใดใจมันก็มาอยู่กับสิ่งนั้นอย่างข้อวิริยะเมื่อกี้นี่้จ่บอกว่าใจสู้เนี่ยทั้งๆสิ่งนั้นเราไม่ได้ชอบก็ได้ใช่ไหมบางทีเราไม่ได้ชอบไม่ได้รักมันแต่ว่าเพราะเกิดใจสู้เห็นมันทานัาทายความสามารถก็เอาเหมือนกันในที่นี้ข้อสก็ทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่ได้ชอบอ่ะแต่ว่ามันเห็นความสําคัญอย่างที่ว่าคนไปกู้ระเบิดที่ยกตัวอย่างใครไปชอบลูกระเบิดมั้งใช่ไหม อ่าแล้วเสร็จแล้วเป็นไงอ่ะใจเป็นสมาธิได้ใช่ไหมเนี่เพราะอะไรเพราะเห็นความสําคัญเพรนั้นนี่ก็สําคัญนี่ก็เรื่องใหญ่เรื่องจิตต์ส่วนข้อที่สก็วิมังสาเมื่ออยากทดลองอยากจะรู้ว่ามันจะเป็นยังไงยังไงนี่เป็นเรื่องทางปัญญาเป็นเรื่องการทดสอบในความอยากเห็นว่ามันเป็นยังไงยังไงอยากทดลองทดสอบมันก็ทําให้เกิดใจแน่แน่เป็นสมาธิเพราะฉะนั้นแต่ละข้อเนี่ย มันเป็นตัวทําให้เกิดสมาธิได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าตัวไหนก็ได้มันทําให้เกิดสมาธิได้ทั้งนั้นนั้นสมาธิเกิดจากตัวไหนก็เรียกชื่อโดยเอาตัวนั้นนําอย่างที่บอกว่าสมาธิเกิดจากฉันทะก็เรียกว่าฉันทะสมาธิสมาธิเกิดจากวิริยะก็เรียกวิริยะสมาธิสมาธิเกิดจากกิจตะเรียกกิจตะสมาธิสมาธิเกิดจากวีมังสาเรียกวีมังวีมังสาสมาธิน แต่ว่าสี่ข้อนี้นั้นมันส่งผลกันด้วยแม้แต่เริ่มจากอันใดอันหนึ่งก็มีทางทำให้อันอื่นตามมาโดยทั่วไปเราจะเริ่มจากข้อแรกข้อแรกนี่จะเป็นพื้นพื้ น, นว่าเอ้ยให้คาให้เขาทำอะไรก็ให้เขาทำสิ่งที่เขาชอบถ้าเขายังไม่ชอบเราก็หาทางปลุกใจหรือว่าพูดจาหวานล้อมอย่างว่าคนที่จะรัก พอใจทำสิ่งนั้นเนี่เขาเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์พอเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์เข้ามาแล้วเออสิ่งนี้ดีอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเนี่ยนะก็ทำให้เกิดความรักความอยากจะทำเหมือนอย่างเด็กเนี่ยถ้าหากว่าแกไม่อยากกวาดบ้านเนเราก็ต้องหาทางเห็นแกให้เห็นคุณค่างความสะอาด ให้รักความสะอาดขึ้นมาทําอะไรเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ความดีของความสะอาดซึ่งครัวาจารย์พ่อแม่ก็อาจจะต้องพูดให้เห็นว่าความสะอาดมันดียังไงอะไรต่างๆพอเด็กเกิดความรักความสะอาดขึ้นมาหรือว่าพ่อแม่ก็ไม่ใช่ว่าจะพูดอย่างเดียวอาจจะ ก, กวาดให้เด็กเห็นทําความสะอาดได้ให้เด็กดูว่าโอ้นี่เห็นไหมสะอาดแล้วมันดียังไงอนะเด็กมันก็มีอยู่แล้วความฝ่ายดีอย่างที่เคยยกตัวอย่างว่า เขามีมือเขาก็อยากให้มือของเขานี่สวยงามสะอาดเรียบร้อยนะร่างกายของเขาหน้าตาขเขาเขาก็อยากจะให้เรียบร้อยสวยงามสดใสสมบูรณ์อันนี้ความฝ่ายดีปรารถนาอยากจะให้มันดีอันนี้มันมีอยู่แต่ว่าอย่าให้เด็กนี่ เบนไปทางเื่ออื่นซะรู้จักใช้เป็นประโยชน์ก็ให้มันขยายออกไปขยายความายดีนี้ออกไปสู่สิ่งต่างๆอย่างที่เคยพูดว่าไปนั่งที่ไหนก็อยากให้ที่นั้นมันเรียบร้อยสะอาดอยากไปเจออะไรเกี่ยวข้องอะไรก็อยากให้มันดีพอขยายความายดีนี้ออกไปแล้วก็ชันทะก็ตามมามันก็อยากทำให้มันดีเด็กก็จะเกิดชันทะขึ้นมา ซึ่งจะตรงข้ามกับเรื่องของฝ่ายตัณหาที่ว่าเจออะไรก็อยากจะได้อยากจะเสพนะมุ่งหาแต่อาหารอร่อยอะไรแต่ละเด็กก็ไปอย่างนั้นจงกระทั่งาาบทบังด้านชั้นทะเป็นหมดนะเด็กกอ็อยากกินอาหารอร่อยอีกด้านหนึ่งก็อยากให้จานสะอาด <c oughs> ถ้าอยากให้จานสะอาดก็เป็นชั้นทะใช่ไหม <c oughs> เจออะไรก็อยากให้มันดีให้มันเรียบร้อยนะล้างจานก็ล้างให้มันสะอาดอต้องสร้างเหมือนกันทีนี้เราไป เราไปกระตุ้นฝ่ายตันหาซะมากแม้แต่พ่อแม่ก็เลยทำให้เด็กนี่ไม่พัฒนาชันทะไม่เกิด น, นั่นก็ควรจะจับจุดให้ได้ก็พัฒนาจากฐานที่เด็กมีเข้าอยู่แล้วในตัวนี่แหละให้ออกไปขยายไปในสิ่งต่างๆนั่นก็ทำให้เห็นคุณค่าเห็นประโยชน์แล้วก็จะอยากทำให้มันดีเกิดชันทะพอเกิดชันทะแล้ว มันจะเกิดความเพียรขึ้นมาได้ง่ายใช่มเหมือนก็นว่าฉันทานี่มาช่วยต่อไปข้ออื่นข้อสองความเพียนก็มาเพราะมีความเพียรอ้าต่อไปความมีใจจดจ่อก็ตามมาแม้จะไม่แรงนักก็มีขึ้นแล้วถ้าเรารู้จักแน่นิดหน่อยมันก็เกิดวิมังสาขึ้นมาอยากจะเห็นว่าเออเราทดลองวิธีนี้มันสะอาด เท่านี้ถ้าลดลองวิธีโน้นมันจะสะอาดกว่าไม่อะไรต่างๆนะสมาธิมันก็มาตามด้วยตลอดในทุกข้อแต่ว่าสี่ข้อนี้เท่ากับว่ามาช่วยเกื้อหนุนกันโดยเฉพาะข้อหนึ่งนำไปสู่ข้อสองข้อสามข้อสี่แต่ก็ไม่จะเป็นนะอย่างที่บอกแล้วว่าอาจจะเริ่มจากข้อไหนก็ได้ซึ่งขึ้นต่อพื้นนิสัยของแต่ละคนเด็กบางคนนี่ต้องปลูกด้วยฉันทะ คือเอาความชอบใจอยากให้มันดีให้รักงานหเห็นคุณค่าเป็นประโยชน์ใจจะโน้มไปในทางเนี้ยแล้วก็ทาทีนี้เด็กบางคนนี่ปลุกใจพูดจาอย่างไงอยากจะให้มันชอบมันก็ไม่ชอบต้องใช้วิธีที่สองคือบางคนนี่มีนิสัยอย่างที่ว่าต้องเจอและให้เกิดความรู้สึกท้าถา ทีนี้ถ้าพื้นเด็กในมินิสัยอย่างนี้เราก็ต้องใช้วิธีทำให้สิ่งนั้นๆเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถไม่ใช่พูดจาทําให้รู้สึกว่าท้าทายความสามารถของเขาพอรู้สึกว่าท้าทายอยากจะทำให้สำเร็จอยากจะเอาชนะงานนั้นก็ได้ผลเกิดวิริยะขึ้นมานี่แสดงว่าคนมันต่างกันพื้นจิตใจไม่เหมือนกันบางคนนี่ทาให้เกิดความ เอาจริงเราจารังขึ้นมาด้วยการกระตุ้นเราเรื่องความต้องการจะเอาชนะในในสิ่งที่ท้าทายความสามารถนี่บางคนนี่ปลุกวิริยะไม่ขึ้นต้องไปเอาข้อสต้องให้เห็นความสำคัญให้เห็นว่าสิ่งนี้นี่มีความสำคัญต่อชีวิตถ้าไม่รู้ไว้ไม่ทาไวนะ ต, ตัวเองจะไม่ปลอดภัยหรืออาจจะต้องประสบความทุกข์ยากลำบาก อย่างพ่อแม่จะให้เด็กเรียนหนังสือนีน่เราจะเห็นได้เลยเด็กบางคนนี่ก็เรียนด้วยความรักความชอบยิ่งเห็นคุณค่าประโยชน์ใจเขาก็รัดไฟแต่บางคนก็ไม่เอาในด้านความรักความไฟต้องให้ท้าทายบางคนก็ท้าทายความสามารถก็ยังไม่เอาเอีกก็ต้องไปพูดถึงความสําคัญของมันต่อชีวิตของเขาว่าถ้าเขาไม่เรียนแล้วต่อไปจะประสบความลําบากดูสิคนที่ ไปมีความยากจนคุนแค้นหรือว่าต้องดำเนินชีวิตเราหกเราหินอย่างนั้นงั้นใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนให้เขาเห็นความสำคัญพอมันคุกคามต่อความมั่นคงปลอดภัยขึ้นมาก็จะเกิดไอตัวจิตตะก็อยู่ที่ว่าจะพูดยังไงหเห็นความสาคัญถ้าพูดได้ขนาดที่ว่าหเห็นความสาคัญอย่างกระระเบิดที่มันจะระเ บ, บิดแล้วก็ได้ผลนะ อ้านี่ก็จิตตะแล้วก็ต่อไปวิมังสาก็บางคนก็มีนิสัยอย่างที่ว่าชอบทดสอบชอบทดลองอยากจะเห็นไงเป็นยังไงถ้าได้ทดลองดูนี่ก็เด็กบางคนก็ถูกจูงไปแม้แต่ในความทางเสียก็เพราะว่าวิมังษาด้วยใช่ไหมเด็กมีพื้นอยู่แล้วเพรา ะ, ะนั้นเราต้องให้ทำมาใช้ในทางที่ดีแต่ว่ารวมความก็คือว่า ใช้โดยสัมพันธ์ก็จากอันหนึ่งส่งผลไปข้ออื่นช่วยกันถ้าหนุนได้พร้อมกันทั้งสี่ข้อก็ทำให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นมีความพร้อมยิ่งขึ้นที่จะสำเร็จแต่ว่าอาจจะใช้แยกอย่างที่ว่าให้เหมาะสมกับพื้นนิสัยของแต่ละคนแต่ล ะ, ละข้อละข้อก็มาเพราะฉะนั้นผู้ที่สอนหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับคนอื่น เป็นผู้บริหารเป็นหุ้นหน้าหรือแม้แต่เป็นพ่อแม่ก็ต้องดูคนของตัวเองเช่นเด็กถ้าหากว่าใช้วิธีนี้ไม่ได้ผลเด็กอาจจะเหมาะกับวิธีนั้นโดยกระตุ้นตัวไหนขึ้นมาเต่แต่ละลอันเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็นําไปสู่สมาธิแล้วก็เมื่อสมาธิเกิดขึ้นมันก็เป็นการรวมพลังมาแล้วก็ทําให้นําไปสู่ความสําเร็จทีนี้ก็เรื่องฤทธิ์ที่เรียกว่าการเดิน เดินบนน้ํหเหาะเฮินเดินอากาศะอะไรก็ตามวันนี้มันก็มาจากสมาธินี่แหละใช่ไหมก็อาศัยสมาธิไปนี่ก็คือเรื่องอิธิบาทนี่เป็นทางแห่งความสําเร็จนอกจากความสําเร็จในเรื่องสิ่งที่ทําการบริเพณเพียรในการกําจัดกิเลสอะแม้แต่เรื่องของการที่จะอายุยืนพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่า ถ้ามีอธิบาทสี่ก็ทำให้อายุยืนพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าถ้าพระองค์จะอยู่ตลอดกับก็สามารถอยู่ได้ด้วยการบำเพอิอธิบาทนี้อายุกับในที่นี้หมายถึงอายุกับนะไม่ใช่หมายความว่ากลับสิ้นโลกไม่ใช่ว่าตั้งหลายพันล้านปีเนี่ยเดี๋ยวพระพุทธเจ้าอยู่ตั้ง เป็นหมื่นเป็นพันเป็นแสนล้านปีเลยไนมะ่ใช่อย่างนั้นอายุกลับหมายความว่ากําหนดช่วงอายุของมนุษย์ในยุคนั้นๆอย่างในสมัยพุทธกาลก็ถือว่าอายุคนนี่ถ้าตลอดเต็มอายุกลับก็ประมาณหนึ่งรปีพระพเจ้าถ้าทรงพระประสงค์จะอยู่ถึงร้อยปีให้ครบอายุกลับก็ทําได้ในการบำเพ็ญอิทธิบาทแต่ว่า พระองค์ได้โปรงพระชนาอายุสังขารปรงใจว่าเอาละแค่นี้พอเพราะว่าได้ทํางานมาใช้ร่างกายมาพอแล้วแล้วก็ศาสนาก็เรียกว่าตั้งมั่นพุทธเวิสัชสี่ก็มีความสามารถพร้อมที่จะสืบต่องานของพระองค์ได้แล้วเพราะนั้นตอนที่จะโปรงพระชนมายุสังขารจึงมีเงื่อนไขที่ว่าเมื่อภิกษุภิกษุณีบาสโสคุบาสิกาเป็นผู้มีความรู้เข้าใจปฏิบัติได้ถูก ต้องสามารถที่จะสั่งสอนแนะนําผู้อื่นได้แก้ไขผู้ที่มากล่าวมาสอนมาพูดสิ่งที่ผิดหลักการได้พระเจ้าก็จัดว่าท้าเมื่อพุทธบริษัทสี่มีความพร้อมอย่างนี้แล้วพระองค์ ก, ก็ปริิบัานได้แต่ถ้ายัางไม่พร้อมพุทธบริษัทยังไม่มีคุณสมบัตินี้พระองค์ ก, ก็ยังไม่ปริิบัติถ้าอย่างนั้นพระองค์ก็คงจะต้องบาเพ็ญอิทิบาทสิ เพื่อจะให้อยู่ได้ตลอดกับนี่พระองค์ก็เห็นว่าตอนนั้นพร้อมแล้วผธ้บริษัทสี่ทาหน้าที่ได้ก็เลยปลงผชญอายุสังขารก็บอกว่าเอาละเทวเนี้ยอยู่แค่อีกสามเดือนจะปรินิพพานทีนี้ทําไมธิบัตสี่นี้ทำให้อายุยืนอยู่ได้ตลอดกับก็เป็นเรื่องที่ว่ามันเปิดไปกำลังปรุงแต่งชีวิตปรุงแต่งทาเรียกว่าปรุงแต่งอายุนั่นเองเครื่องปรุงของอายุ อายุก็คือพลังชีวิตพยังพลังสืบต่อชีวิตอันนี้ถ้าคนมีฉันทะวิญญาณจิตวิมังสามันก็มีเครื่องปรุงแต่งชีวิตทำให้ชีวิตนี้มีกำลังเกิดความมีชีวิตชีวาที่จะอยู่ถ้าไม่มีชันทะเป็นต้นก็หมดพลังชีวิตทำไมล่ะคนเราที่จะอยู่ต่อไปได้เนี่ยมีชีวิตชีวามันต้องมีตัวชันทะ ใจมันฝ่ปรารถนาจะอยู่ทำไมจะอยากจะอยู่ล่ะก็อยากจะทำโน่นทำนี่มีสิ่งที่มุ่งหมายจะทำอย่างชาวบ้านก็อาจจะโออยากจะเห็นลูกคนนั้นจเจริญเติบโตเป็นฝั่งเป็นฟ้าอะไรต่งตางๆแล้วเนี้ยนะหรือบางคนก็อาจจะอยากทำสิ่งที่ดีงามใจตั้งไว้ว่าโออยากจะทำสิ่งนั้นให้สำเร็จตัวเองเห็นแล้วว่าเป็นสิ่งที่ดีมาก เป็นจุดหมายสูงสุดของชีวิตของเราเราจะต้องพยายามทําให้ได้พอมีชั้นท้าฝ่ายปรารถนาในอันนี้ที่จะทําให้สําเร็จเนี่ยมันมาเป็นตัวตัวปรุงแต่งอายุมาปรุงแต่งชีวิตนะทำให้เกิดพลังที่จะอยู่เราจึงเห็นได้ว่าผู้ที่เกิดความท้อแท้เกิดความเหี่ยวเฉา ว, ว่าตัวเองไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ทําไมเนี่ยนะ ก็มักจะอยู่ไม่ได้ยาวเพราะว่าชีวิตขาดพลังอย่างที่ว่ามันก็เหี่ยวเฉาไปยกตัวอย่างง่ายๆอย่างคนที่กเกษียณอายุตอนที่ทำงานนี่ก็มีพลังแข็งแรงอะไรต่างๆมีโ น, โน่นมีนี่จะทำอยู่เรื่อยคิดจะทำเพราะเป็นคนเอาใจใส่รับผิดชอบตรงงานมีเรื่องต้องทาอยากจะทาพอกเกษียณอายุนี่ไม่รู้จะทาอะไรแล้วสิ่งที่จะทานั้นก็ไม่อยู่ในอำนาจขอตัวที่จะทา โดยเองหมดหน้าที่หมดความรับผิดชอบพออย่างนี้แล้วไม่รู้จะทำอะไรใจก็เคว้งคว้างแล้วก็อ้างวางห้างวางขาดเป้าหมายที่จะเป็นอยู่เชาเลยดีไม่ดีก็เลยเดี๋ยวเป็นโรคน้นเป็นโรคนี้ไปเพราะนั้นก็เลยต้องให้หาสิ่งที่เป็นเป้าหมายที่ดีงามมายึดต่อ พอกเกษียณแล้วต้องหาอะไรที่ดีงามมาสำหรับให้ใจนี่มาใฝ่ฝ่ปรารถนาอยากจะเห็นสิ่งนี้จุดหมายดีนี้สำเร็จเป็นเรื่องเกี่ยวกับลูกบ้างเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเองบ้างถ้าเป็นสิ่งที่ดีก็จะเป็นหาอะไรที่ดีงามที่น่าจะทำใจก็นึกถึงสิ่งนั้นและอยากจะทำให้สำเร็จถ้ามีอันแม้แต่อันเดียวที่ เป็นจุดหมายที่ดีชัดนะเห็นได้ปัญญาและใจนี่มีความปรารถนามากเนะี่ยจะทำให้แรงให้มีพลังชีวิตแรงมากอย่างที่พูดว่าถ้าอันนี้ไม่สาเร็จฉันตายไม่ได้เพราะนั้นนะบางคนจะพูดอย่างนี้เนะี่เนี่ยลายตัวนี้มันจะทำให้มีชีวิตอยู่ต่อไปนั้นฉันท่านี่เป็นตัวที่สำคัญมากมีอันนี้แล้วชีวิตมันก็มีกำลัง เกิดความมีชีวิตชีวาทันทีเลยนะไม่อยู่ไปเรื่อยๆ เ, ย เ, ย เ, ยเลยๆป่วยๆ เ, ยเยช้าไม่รู้จะอยู่ไปทําไมนี่คนเรามันขาดกําลังใจนะเราจะเห็นได้ว่าอย่างคนเจ็บป่วยไข้เนี่ยพอหมดกําลังใจสัอย่าง ก, ก็สุดรวดเร็วแต่ถ้ามีกําลังใจแล้วแม้แต่ว่าร่างกายจะแย่มันก็ยังพยุงร่างกายไปได้เพราะฉะนั้นฉันทา น, นี้ก็สําคัญว่าแล้วกเกิดวิริยะก็เป็นตัวกําลังเลย ใจสู้จะทำวันนั้นตมนี้ให้สำเร็จเลยยิ่งยากยิ่งสู้ถ้ า, าว่าเจอว่ายิ่งยากยิ่งสู้ยิ่งยากยิ่งได้พัฒนาตัวเองมากนะใจเอาจริงๆก็พลังก็ยิ่งเกิดใหญ่ใจก็จดจ่อใจจดจ่อก็มีพลังพุ่งสู่เป้าหมายแต่ก็คิดจะทําอย่างนั้นอย่างนี้จะปรับปรุงจะแก้ไขยังไงอะไรเงี้ยนะใจมันก็อยู่กับเรื่องนั้นสมาธิมันก็เกิด ไม่ฟุ้งซ่านไม่พราจิตมันก็ดีสุขภาพจิตก็ดีด้วยแล้วเกิดพลังด้วยได้ผลดีทุกอย่างเพราะฉะนั้นอิธิบาสสี่ก็เป็นตัวที่จะมาปรุงแต่งสิ่งที่ถ้าเรียกว่าอายุทำให้ชีวิตมีพลังที่จะอยู่ได้ต่อไปก็ทำให้อายุยืน ก็พูดเรื่องอิทธิบาทสี่มาก็พอสมควรนะเป็นหลักธรรมที่ง่ายๆได้ยินกันเป็นพื้นๆก็ามาทบทวนกันท่านผู้ใดมีข้อสงสัยอะไรก็มาคุยกันนิดๆหน่อยๆนีนะม่มังสามี่ำรูปสองอะไรวีมังสาอ่ามีทอะไรสมกับอะไรก็เป็นช้ำอ๋อก็แปลเนี่ยแปลว่าทดลอง เพราะรว่ า, าตามที่เคยเรียนการตสมัยมัธยมนะครแต่ว่าการพิจารณาอะไรทองอ๋อนัอ้นแปลกันแบบแบบทั่วทั่วไปก็แปบลบกันอย่างนั้นโดยทั่วไปแปลงั้นแต่ว่าตัวศัพท์จริงๆเนยะแล้วทดลองอการทดลองมันต้องการการพิจารณาใจตรองใช่ทดลองก็คืออยากจะเห็นว่าเอา๊ะที่เป้าหมายเราจะให้มันดีจะทำไงดี หรืออยากจะรู้ว่าทํายงงทอย่างนี้จะเกิดผลยังไง rich, ทําอย่างนั้นจะเกิดผลยังไงไอ้ที่ทําได้เกิดผลอันนี้ถ้าเราลองไปทํำอย่างว่ามันจะเกิดผลยังไงใช่ไหเนี่ก็ทําให้ใช้ปัญญาพิจรารณาก็เลยแปลกับพิจร า, า, ารณาไป่ทดองเพราะว่ามันรวมไปถึงการตรวจสอบด้วยเนี่ยครับเอมื่อทดลองก็เป็นการตรวจสอบว่าเอ้ทาอย่างนี้ได้ผลไหมผลเป็นไปตามที่มุ่งหมายหรือเปล่าก็รวมทั้งตรวจสอบน่ คือว่าครอบครัวงสังคมเดี๋ยวนี้นะคือไม่มีหลักอธิบายเลยครับว่าผูกฟ้องว่าแน่รือว่าใจต้องการอยากจะให้ลูกเป็นอะไรก็ไม่ได้ดูที่เด็กคนเด็กชอบเด็กรักมีฉัน้ามีวิญญาณมีจิตใจมีรีมังสายยังไงคือต้องการที่ตนเองอยากจะให้ลูกเป็นอะไรก็บังคับลูกไม่ตรงประเด็นเออมันก็ไม่เข้าเรื่องใช่ก็เป็นปัญหาที่จิตมันก็ต้านพอจิตใต้ก็เกิดความขัดแย้ง แล้วเด็กก็หันไปหาสิ่งอื่นไอ้ที่มันชอบพอมันไม่มาทางชันทามันก็ไปทางตันหาใช่ไหมไปทางเสพไปทางอะไรต่างๆเป็นปัญหาสังคมเป็นปัญห า, ญหาการกเรีย น, านการสอนของการศึกษาก็ไม่ได้เรื่องอคือแทนที่เน้นให้คือใช้ปัญญานะ <c ười> คือการทดสอบอการวิจัยการอย่างสังคมที่เจริญน อ, อยังสาระเรื่องของญี่ปุ่นนี่ ใช้การวิจัยเป็นหลักอการทดสอบการทดลองทางวิทยาศาสตร์นะแต่ของไทยนี่ใช้ระบบท่องจําำคือเรียนกันตามตามหนังสือครูดูหนังสือไปก็สอนเด็กเรียนไปไม่ได้การการใช้ไไม่ด้้ใชความคิดเอก็เลยไม่ได้อิธิบายเลยก็นั่นแหละเด็กโทษไคเยเป็นนู้ใหญ่เป็นนุใหญ่มีปัญหาก็โทษถ้าไม่เรียนโทษอะไรก็โทษโทษการศึกษานการศึกษาบุกรอง ผู้ผู้ใหญ่เงก็ขาดทิ้าไอ่าก็มันก็ตามกันไปนอ่ะหมายความว่าพอผู้ใหญ่ขาดก็ส่งผลต่อเด็ก เ, เพราะว่าพุทธศาสนาที่เรารู้จักก็เป็นเพียงรู้จักสืบๆกันไปมันไม่ใช่รู้จักตัวพุทธศาสนาตัวหลักการตัวคำสั่งสอนที่แท้ไม่ค่อยรู้ คำว like ja ่าพุทธศาสนาก็เลยหมายถึงว่าไปยกช่อฟ้านี่ฝังลูกมีมิดอะไรเงี้ยนะแล้วการศึกษาของของคนไทยนี้ล้มเหลวก็ต้องมาหรือฟื้นแก้ไขกันใหม่คือเมื่อเมื่อมันมันสุกคือก็ได้ ก็ได้ดูกันทัานมหาวิยาลัยโซเนียแล้วก็ท่านสาธารณสุขแล้วก็ดูกันคือในปัจจุบันเนี่ยเรามองไปทางไหนเนี่ยปัญหาของสังคมก็มีเยอะมากครับทีนี้ในฐานะที่พวกเราเนี่ยก็คือเป็นมนุษย์คนหนึ่งเราก็อยากที่จะช่วยเหลือแต่ทีนี้ในการช่วยเหลือมนุษย์ด้วยกันเนี่ยนะครับบ า, บางคนคือเราเรามีใจอยากที่จะช่วยเหลือแต่ในขั้นปฏิบัติจริงๆเนี่ย ทีพอกระทาไปแล้วเนี่ยเรามีฉันทะอยากทำแต่บางทีเราเกิดท้อนะครับคือทําไปแล้วอย่างบางคนทําไปแล้วมีผู้ที่ไม่เห็นด้วยต่อต้านทั้ที่ส่วนที่เราทําไปเนี่ยต้องเพื่อช่วยเหลือเพช่วยกันซึ่บางคนคืออาจจะมีตัวอย่างช่วยเหลือเพื่อมนุษย์คือสละตัวเองทําแล้วแล้วก็ผลที่ได้คือไม่ ไม่ครูมาครับคือกลายเป็นว่าเบียดเบียนตนเองไปแม้กระทั่งวันวันที่ตัวเองเสียี่ก็ยังไม่ได้อยู่ที่ประเทศของตัวเองเลยที่เราทําไปเพื่ออะไรประโยชน์ตัวเองก็ไม่ได้าก็คือเราเสียสลับที่จะทําแล้วนคือมีชันทะแล้วอะไก็ดีแล้อย่างน้อยชันทะเกิดเลยได้อันนึงแล้วแต่ทีนี้ว่าชันทะเกิดทํำไงชันทะมากับปัญญา เราได้ปัญญาเบื้องต้นคืออย่างน้อยเรารู้ว่าอะไรมันควรจะเป็นยังไงใช่ไหม <S <S อันนี้มันได้ปัญญาแค่นี้แต่ทีนี้ปัญญามันควรจะนาชันทาต่อก็คือปัญญาจะต้องมาทำหน้าที่เดินหน้ามองให้กว้างให้เห็นสภาพแวดล้อมว่าที่เราจะกระทำนี้มันต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยสภาพแวดล้อมก็เป็นเหตุปัจจัยที่สคาคัญมันเอื้ออำนวยแค่ไหนถ้ามันไม่เอื้อ มันมีอุปสรรคมีปัญหาที่จะมาขัดขวางเยอะเราก็ต้องรับรู้ตามเป็นจริงว่าไอ้ที่เราจะทำนี่ไม่ง่ายนะนะแล้วอาจจะไม่สําเร็จก็ได้เตรียมใจไว้ก่อนใช่ไหมด้วยความรู้เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยวางใจได้ถูกต้องอา้าวทีนี้ว่าเราก็ต้องทําทําเท่าที่เราทําได้ทีนี้จะทํำยังไงล่ะนะก็มองในแง่หนึ่งก็อา้าวมันมีวิธีมองหลายอย่างเ้าเรียวกว่กาอยู่ในสม์ลัษการเช่มองว่าเอ๊ะ แล้วก็เรียนรู้ไปด้วยเนะี่ยเราก็ทําไปหาวิธีว่าเรารู้แล้วนี่มันยากสภาพแวดล้อมไม่เอือ้ออาจจะไม่สําเร็จแต่เราจะต้องพยายามทําเท่าที่เราทําได้นะี่หนึ่งเราก็เตรียมใจไปแล้วถ้ามันไม่สําเร็จก็รู้ตัวว่าไม่เราก็ทําด้วยความเห็นว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นนี่พอทําเราก็ได้เรียนรู้ไปว่าอ๋อมันมีพุทธศัพท์มีเหตุ ป, ปัจจัยงี้เราจะแก้ไข ย, ยังไงเรียนรู้ไปแล้วก็ได้ฝึกตัวเอง เราก็มองในแง่ว่าเออจากการที่เราพยายามทำสิ่งนี้น่นเราได้ฝึกตัวเองไปด้วยใช่ไหมเราก็พัฒนาตัวเองเรามองในแง่นี้เราฝึกฝนพัฒนาเราจะไปมองว่าเรานี่เต็มบริบูรณ์แล้วเราได้เรียนรู้ฝึกฝนตนเองพัฒนาไปแก้ไขปัญหาไปนะต่อไปก็อีกอย่างก็ใช้วิธีแบบพระโพธิสัตว์ก็คือมีปณิธาน พระที่สัตว์ก็หมายความว่าเห็นว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีงามคุณจะต้องทําแล้วก็ตั้งเป้าหมายเด็ดเดียวต้องพยายามทําให้สําเร็จนะอย่างพระโพธิสัตว์นี่แม้แต่สละชีวิตก็ยอมสละด้วยความเต็มใจไม่ทุกหนทางนันนะต้องถึงขนาดนั้นนะจะไม่เก <c oughs> ิดการเปลียนแปลงถ้าใจมันมองในแง่ฝึกแล้วมันเสียสละใช่ไะมมาใจมันพร้อมเนะี่ยก็ ในแง่หนึ่งก็อาจจะเกิดไปบ้างคือพระโพธิสัตว์นี่ไม่ใช่ปุจจเจ้าพระโพธิสัตว์นี่ยังไม่ใช่คนสมบูรณ์เมื่อเป็นคนสมบูรณ์ก็อาจจะมีทําผิดพลาดบ้างแต่ว่าการที่มุ่งไปในทางทําดีแล้วมีผิดพลาดบ้างเป็นบทเรียนได้พัฒนาตัวเองดีก็ไปผิดพลาดในเรื่องไม่เป็นเรื่องใช่ไหมน่ก็ทําสิ่งที่ดีง า, าก็อาจจะต้องมีพลาดบ้างแม้เบียดเบียนตัวเองแต่ในเวลาที่เบียดเบียนนั้นมันก็มีไอ้ความ ที่มองเห็นคุณค่าประโยชน์สิ่งที่ทำมันมาดุนกันอยู่ใช่ไหมมันไม่เสียไปข้างเดียวทีนี้ถ้าจะให้สมบูรณ์ก็ปัญญามันจะต้องมามองเห็นรอบด้านไปนหมดซึ่งพระโพธิสัตว์นี้ท่านจะยังไม่ถึงขั้นนี้เช่นว่าท่านจะทำความดีในระดับของเท่าที่สังคมขนาดนั้นหรือมนุษย์ในยุคนั้นรู้กันว่าดีแต่ว่าท่านจะทาได มากกว่าเขาหรือยอดเยี่ยมกับคนอื่นในสิ่งที่ยอมรับกันว่าดีแต่ว่าสิ่งที่เขายอมรับว่าดีนั้นถ้าท่านทำไปนะั้นท่านอาจจะผิดก็ได้เพราะสิ่งที่เขายึดถือมันผิดอย่างพระโพธิสัตว์ที่ไปบาําเพ็ญฌานเจ้าแดงได้อภิญญาได้อภิญญาห้าก็เก่งกับเขาเนีอภิญญาห้าใช่ไหมแต่ก็ไม่ใช่หมายความว่านั้นถูกใช่ไหมพระโพธิสัตว์ก็ทําดีสูงสุดเท่าที่เขาทําได้ในสิ่งที่ยอมรับกันวบนดีนั้นๆ นี่คือแง่ของพระโพธิสัตว์ที่ว่าทําดีด้วยใจจริงบริสุทธิ์ใจและทําอย่างเต็มกําลังความสามารถได้ยอดเยี่ยมเลยนี่เป็นความดีของพระโพธิสัตว์ซึ่งอาจจะทํายิ่งกว่าพระอรหรนันต์ในแง่นี้แต่เป็นความไม่สมบูรณ์ในแง่ที่ว่าเพราะท่านปัญญาที่จัดสรู้อย่างไม่มีเพราะนั้นการมองสิ่งต่างๆก็อาจจะมีแง่ผิดแม้แต่ทําความเพียรในความดีเกินไป ไม่ตรงกับเรื่องแต่อย่างที่ว่าก็ไปบำเพ็ญฌานสมาบัติพระโพธิสัตว์หลายชาติก็ไปบำเพ็ญได้ฌานสมาบัติไปเกิดในพรหมโลกก็ไปจบแค่นั้นใช่ไหมพระโพธิสัตว์ก็เก่งแต่ก็ได้ความดีที่เขายอมรับกันเท่านั้นก็พัฒนาต่อมาจึงเป็นพระพุทธเจ้าเพระาะฉะนั้นการมองพระโพธิสัตว์ต้องมองในแง่นี้ด้วยว่าท่านทําในสิ่งที่เป็นความดีที่คน รู้กันเท่าที่ปัญญาของท่านจะคิดได้บางท่านท่านก็เห็นว่าคนนี้เข้าใจความดีนี้ยังไม่ถูกท่านก็เดินหน้าให้เขาเข้าใจความดีนั้นถูกต้องยิ่งขึ้นแต่ถึงงั้นท่านก็ยังไม่จบสิน้นยังไม่บริบูรณ์ น, นั้นเรื่องพระโพธิสัตว์ก็ยังอยู่แค่ในระดับของมนุษย์ปุตตชุนที่พยายามพัฒนาเต็มที่แต่ว่าเก่งในแง่ของปณิธานความเอาจรั ง, รงความเสียสละตั้งใจตามความดี แต่ยังพลาดได้เพราะปัญญาไม่เต็มที่ไมเต็มุกครับเวเรื่องนี้ถ้าเราพิจารณาว่าฟาังครั้งเนี่ยเมื่อถึงข่าวเ ข, ข้าขหรือว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยการเสียชีพเพื่อรักษาทำเนี่ยนะฮะเกคือเก็นการเจ็ดเวียนตัวเองเนะครับก็คือถ้าจะถือก็มันก็มีเหตุผลพอหมายความว่าเหตุผลที่เราทำเนี่ย เหตุผลนี่มันเหนือกว่าถึงกับยอมสละได้ใช่ไหมฮะถ้ายอมสละดเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ในเมื่อเหตุผลในทางที่ดีนี่มันสูงกว่าก็เลยไม่ถือเป็นการเบียดเบียนถ้ามองได้เหตุผลธรรมดาก็เป็นการเบียดเบียนก็เหมือนอย่างพระโพธิสัตว์แค่ว่าจะไปช่วยชีวิตคนอื่นและยอมสละชีวิตของตนแค่นี้ถ้ามองในแง่สายตาธรรมดาก็เบียดเบียนตนเองถูกไหม แต่ว่าท่านต้องการทําความดีมีตัวเช่นว่ามีเมตตามีกรุณากรุณานี่ยมันสูงมันแรงมากใช่ไหมเราเอาอะไรมาวัดก็ต้องเอาตัวคุณธรรมนั้นมาวัดใช่ไหมว่าตัวกรุณามันตัวที่ทําให้พ้นจากความหมายที่เป็นการเบียดเบียนตัวเองมันทําเพื่อจุดมุ่งหมายที่ดีงามเพื่อจุดนี้แล้วมองอกลับไปที่สังคมะสังคมไทยในปัจจุบันเนี่ย มันขาดเชื่อมมุทิตานะครโดยมากเนี่ยก็คืออีกนใครที่ดีหรือว่าแม <นะ S 1> ้เขาจะมีเจตนาดีทําดีโดยที่ไม่ได้หวังคนก็ทําแต่เมื่อคนเด่นขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารก็ตามหรือจะเป็นคนทั่วไปก็ตามก็จะมีจิตที่อิจฉาหรืสียอาหรือว่าไม่น้องไม่มีโยนิโอนน้นำมิการในการที่จะรับฟังข้อเสนอใช่ไสุดท้ายนี่ก็ทําให้คนที่มีฉันท้ามีวิริยาเนี่ยมีที่บาดพร้อมนะครับพจะดทอได้ <ว>ก็นนต้องใช้คุณธรทมข้ออื่นข้ออะไรก็ได้ก็นั่นแหละก็บอกว่านี่แหละเป็นบททดสอบเราไง <c oughs> ใช่ไหมก็เราต้องมองด้วยปัญญาเห็นว่าสภาพสังคมเป็นอย่างนี้ <c oughs> พืชเพนิสยัยของคนทั่วไปค่านิยมเป็นอย่างนี้รเราทําความดีในสภาพสังคมอย่างนี้เราจะต้องยอมรับว่าเราจะต้องเจอประอุปสรรคมาเจอแล้วเราจะต้องถือเป็นบททดสอบมาเป็นเครื่องพัฒนาตัวเราแล้วเมื่อมันยากนี่การทำเพื่อจุดหมายที่ดีงามให้สําเร็จ ถ้าทาวิธีนี้ท่านต้องละบากตัวแต่ถ้าท่านมีปัญญามากขึ้นท่านอาจจะเห็นวิธีการที่มันดีแยบยลยิ่งขึ้นที่ทำให้ได้ผลดีทุกฝ่ายไม่เกิดปัญห า, ไ ม, ญหาไม่เกิดความลาบากใช่ไหมแต่ญญมันก็ต้องขึ้นแต่ปัญญาด้วยความสามารถที่จะแก้ปัญหาบางคนแก้ปัญหาเรื่องนี้แม่ต้องทำด้วยความลาบากใช่ไหมต้องเจออุปสรรคต้องเจอคนต่อต้าน แต่อีกคนหนึ่งหรือแต่คนนั้นเองมาพัฒนาความสามารถสติปัญญาไปมากขึ้นมีวิธีการดําเนินการหรือดีนกับเรื่องนี้ดีขึ้นใช่ไหมจงกระทั่งเอาไอ้คนที่จะเป็นอุปสรรคมาเป็น<ฆ>มิตรมาเป็นตัวหนุนได้อันนี้ก็อยู่ที่ว่าพัฒนาตัวเองให้มีปัญญามากขึ้นใช่ไหมพเดชพัคคุณครับถ้าในกรณีอย่างนี้เนี่ยเราพูดถึงว่าอิทธิบาทสี่แล้วเราก็ต้องใช้สัจธรรมด้วยหรือเปล่าเพราะอย่างบางครั้งเนี่ยเราอ๋ออันนี้เวลานี้เรากำลังพูดเฉพาะจุด แน่นอนเลยําว่ามันต er ้องมายประโยชน์ของสังคมประเทศชาติแท้จริงไหมใช่ไหมก็อยู่เทียนนี้เป็นสำคัญคื่บางเรื่องนี er> ่เราก็จะพูดต uh> ัดสินทันทีได้ยากใช่ไหมต้องไปรู้ให้รู้ดีก็รู้ถึงเจตนาแต่เจตนาคนนี่เจตนาดีนั่ก็ยังไม่พอถ้าปัญญาไม่ดีพอก็ ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการแม้เจตนาดีก็ทำให้เกิดผลร้ายเพราะฉะนั้นจึงต้องควบกันเรื่อยใช่เจตนาดีบริสุทธินะ์ไม่ได้คิดร้ายนะมุ่งสิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์แต่เพราะกันนั้นปัญญาความรู้เข้าใจก็ต้องพร้อมด้วยปัญญาจึงต้องพัฒนายเสมอขาดไม่ได้เพราะว่าปัญญาปกครองมาร่ในพร่าทัน องค์ประกอบของปัญญานี่ไม่ทราบว่าเอ่อฉันให้เจตเลยว่าควรแจกตอนนี้หรือว่าควรจะเก็บไว้คราวหน้าครับเพราะว่าก็คงจะเอาไว้คราวหน้าจะหมายถึงยังไงล่ะคืออย่างปัญญานี่อย่างสมาธินี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญญาใช่ไหมครับอ๋อชื่อต่างๆชื่อต่างต่างนี่จะเป็นองค์ประกอบของคาว่าปัญญาไม่ไม่ใช่องค์ประกอบเป็นชื่อต่างๆ่ของปัญญาหรือปัญญาที่ทํางานในระดับต่างๆหรือทํางานในด้านโน้นด้านนี้ก็เรียกชื่อไปอย่างนั้นเอง ปัญญาที่แสดงออกด้วยอาการอย่างนี้ในเรื่องนี้เพื่อวัตถุประสงค์แบบนี้อะไรเงี้นะก็จะมีชื่อเรียกต่างๆกันปัญญาก็เป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงวันนี้เดี๋ยวจะเลยเวลาไปมากอาจารย์ในกรณีที่บางครั้งเดี่ยวรใช้ปฏิบาทก็แล้วเนี่ยถ้ายังไม่สำเร็จในช่วงนั้นเนี่ยเราถ้าเราไม่ท้อเนี่ยเช่ก่อนนะครับเราก็ต้องรอเวลาที่เหมาะสมใช่ไหมครับ ในการที่จะทาทำชิ้นานจะบรรลุเป้าหมา ย, ยนะครับคือบางครั้งอาจจะต้องรอร บ, บางครั้งก็ทำให้เกิดความพร้อมด้วยการสร้างความพร้อมขึ้นมายกตัวอย่างง่ายๆมันจะคนที่เรียนเนี่ยคนที่ปฏิบัติธรรมเขายังมีอินทรีย์ไม่แก่กล้าพ อ, พอเรียกสมัยนี้ว่ายังไม่พร้อมยังขาดความพร้อม อ้าวทีนี้ทำไงล่ะจะให้เขาพร้อมเพราะถ้าเขาไม่พร้อมก็ก็ไม่ได้ผลเราจะให้เขาพร้อมก็ต้องรอใช่ไหมถ้าไม่รอทำไงพยายามทำให้เขาพร้อมก็มีสองวิธีก็แปลว่าต้องให้เขาพร้อมแหละรอให้เขาพร้อมเองหรือเราจะพยายามทำให้เขาพร้อมบางทีก็ต้องประยุกต์ทั้งสองข้ออย่างพระพุทธเจ้า จะทรงใช้วิธีว่าอ้าวดูว่าคนนี้ยังไม่พร้อมอินรีย์ยังไม่แก่กล้าก็บ่มอินรีย์เลยบ่มอินทรีย์บ่มอินทรียหมายความว่าทําให้มันพร้อมสิทีนี้เนี่ยก็หาวิธีการมาทําให้เขาเข้าถึงความพร้อมนะใช่ไหมแต่ตกลงก็คือว่าต้องพยายามให้เขาพร้อมก่อนใช่ปะ จะรอให้เป็นไปเองหรือจะพยายามทําให้เขาพร้อมขึ้กับปัญญาด้วยทีนี้ก็ต้องขึ้นกับปัญญาของผู้ที่จะไปสอนเขาด้วยใช่ไหม <พอ S 2> ว่าจะมีวิธีการยังไงที่จะสร้างความพร้อ ม, มพระพุทธเจ้าก็จะมีวิธีการที่จะทําให้คนพร้อมเนี่ยซึ่งเป็นการปฏิบัติแต่ละบุคคลใช่ไหมเพราะแต่ละบุคคลนี่มันมีปัจจัยของตัวเองไม่เหมือนกัน พราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าอ้าวคนที่เป็นยังไงพื้นเพเป็นยังไงมีจริตอัธยาศัยยังไงนะทำไงจะให้เขาพร้อมขึ้นมาได้ก็จึงมีธรรมะบางบทที่เรียกว่าธรรมะเป็นเครื่องบ่มอินทรีย์ว่างั้นถ้านะช่วยบ่มอินทรีย์ที่ยังไม่พร้อมให้มันพร้อมขึ้นมา